หรือบางทีเขาก็ชมว่าเป็นผู้ปราศจากราคะปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะปราศจากโทสะปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะปราศจากโมหะปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะหรือว่าเขาก็ชมว่าผู้ที่รับทานของเขานะเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาศีลสมาธิปัญญาวิมูติวิมุมติยานทัศนะเขารียกว่าเรียกว่าชมทักกินายา บ, บุคคลจริงหรือไม่จริงไม่รู้ละนะก็เรียกว่าชมอย่างเดียวนะก็ดีนะใครไปทําบุญวัดไหนมาโดยมากก็จะชมใช่ไหม ไปทําบุญไปบูชาต้นไม MM, ้ก็ยังบูชมต้นไม้นะไปทำอะไรก็ชมมาหมดละเพราะฉะนั้นเขานี่ชอบการนะที่เขาเป็นอย่าง waveform, นั้นเพราะเขาชอบใช่ไห <ๆ S 1> มชอบอยากได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธาภาเป็นต้นนะเพราะเนื่องจากเขาชอบเขาเลยบูชาคําว่าอาศัยลาบแล้วย่อมชอบกามเขาเรียกว่าอาศัยการอยากได้รูปถ้าเขาได้รูปนะเขาจะเพลิดเพลินในกาม ทั้งวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนะเมื่อมีรูปจะใช้รูปให้อิ่มไปเลยถ้าได้เสียงพ่อๆก็จะฟังเสียงอันนั้นให้มีความสุขไปเลยนะคือคือเขาต้องการวัตถุกรรมเพื่อเขาจะได้ไปซ่องเสพเสพอยู่ในวัตถุกรรมเหล่านั้น น, นนะมีความสุขอยู่ในวัตถุกรรมเช่นปรารถนารูปก็จะได้ชมรูปไม่เต็มที่เลยนะแต่ปรารถนาเสียงก็จะได้ฟังเสียงให้สะใจให้เต็มใจไปเลยนะ ถ้าได้กลิ่นก็จะใช้กลิ่นชนิดนั้นนะนะเช่นปรารถนาน้ําหอมเนี่ยก็จะได้ใช้น้ําหอมอันนั้นให้สมอยากเลยปรารถนาอาหารก็จะได้บริโภคอาหารให้ให้เต็มที่ให้จุใจไปเลยปรารถนาโพธาพ้เช่นมาถ้าได้แอร์มานะจะนอนห้องแอร์ให้เย็นฉ่าเลยนะเป็นต้นเน่ะลักษณะเนี่ยนะอันนี้นะถ้ามีพัดลมนจะใช้พัดลมเป่าให้เย็นเลยนะหน้าหนาวบอกโอ้เนี่ยถ้าหนาวขนาดนี้ถ้าได้ฮีตเตอร์มาให้มันอุ่นเลย จะใช้ให้มันสบายนอนหลับเสนิทแน่นะลักษณะเนะี่ยพื่นี้ก็ชมรูปเสียงกลิน่นรสโภชภัพก็ต้องการบริโภคกามนั่นแหละนั่นแหละหรือปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมมานารดีปรนิมิตะวะสวสดีไปเกิดที่นั่นก็เพื่อจะนี่นแหละจะบริโภควัตถุกามด้วยอํานาจกิเลสกามนั่นแหละนนะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยที่เขาถึงเขาทําแบบนั้นเนี่ยทั้ง เข้าบูชายันทั้งที่ว่าประกอบประกอบทั่วประกอบด้วยดีประพฤติในการบูชามากอยู่ด้วยการบูชาหนักอยู่ด้วยการบูชาเองไปโอนไปเงื้อมไปน้อมใจไปมีการบูชาเป็นใหญ่เรียกว่าเป็นผู้ประกอบในการบูชายันเข้าเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นพวกที่กำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดในภพเนี่ยนะเรียกว่าภวะภวะราคารตา ความว่าตันหาท่านเรียกว่าภาวะราคาอันหนึ่งความพอใจในพบกำหนัดในพบเพลิดเพลินในพบตันหาในพบความเยื่อใยในพบความหายในพบกระหายในพบเร่าร้อนพราะพลุ่มหลงพราะพบหมกมุ่นพราะพบตันหาในพบดังกล่าวไปเรียกว่าภาวะราคะยินดีในพบอ่ะนี่คิดให้มันจบเลยไหมงานเนี่ยสํานวนม้วนเดียวจบเลยนะไม่ต้องต่อภาคสองภาคสามเองเอางั้นไหมนั่นนะโดยมากไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม เอามไหมเอามวนนี้มวลจบเลยไหมชาตินี้แหละขอเป็นชาติสุดท้ายแหละสําหรับวัะพอกันทียนนอย่างนี้ไหมไม่เป็นออืยังน้อยก็สองสามมวนกันนะนะสักสองสามชาติก็ยังดีกันนะํานวนว่าจะให้ดับขันปริให้เป็นธาตุขันดับขันปินี้ผ่านตอนนี้เอาเลยไหมโดยมากไม่เอากันจริงไง <laughs> เดี๋ยวก่อน <laughs> เดี๋ยวทำธุระให้เสร็จก่อนนะนะเดี๋ยวทาํามโนนก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนนะหาเรื่องอย่างนั้นจะได้ เพลิดเพลินเนี่ยนะบางทีก็เออชาตินี้ยังไม่ขอบรรลุหรอกขอชาติหน้าก็แล้วกันอนาคตการพูดเนี่ยนะกี่ชาติก็ไม่รู้ขอบรรลุเหมือนกันแต่ว่าอีกน้อนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ผู้เหล่านั้นเนี่ยเขาเพลิดเพลินในภพนะเพลิดเพลินในการเกิดในภพ บ, บ่อยๆเขาผู้บูชายันเหล่านั้นเนี่ยกำหนัดคือติดใจหลงไหลหมกมุ่นคล่องเกี่ยวข้องพัวพันธุ์ในภพทั้งหลายด้วยความกำหนัดในภพ เพราะฉะนั้นยังชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นผู้บูชายัญประกอบในการบูชายินดีแล้วด้วยภาวะราคะแตนะเพราะคนที่ทําบุญส่วนใหญ่เนี่ยนะปรารถนาวัตตะซะโดยมากแต่นะทำบุญหรือการบําเพ็ญบูชายัญการบวงสรวงอะไรก็ตามเนี่ยนะจริงๆอ่ะทำที่ทําทั้งหมดก็ปรารถนากรรมนะกิจกรรมที่ไม่ปรารถนาการมเลยนะอย่างเช่นคําขอบวชอย่างประเทศไทยเนี่ยนะสัพพทุกขนิสรณะเ น, นี่ยนะ นิพานะสัจจิการณัทธายะอิมังกาสาวังกเหตุวาปัภาเชธรรมังทันเตยนุกัมปังอุปาทายะมันก็ว่าโอ้โหเนี่ยขอนิพพานเลยนั่นเถอะเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าได้พากาสาวพัทเธอเมื่อข้าพเจ้าได้ฆ่ากาสาวพัตแล้วข้าพเจ้าจะบำเพ็ญไตรสิกขาปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละจะทําที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้แมบวชจะขออรหัตผลนะ้ก็มีอยู่ตรงนั้นหน่อยนึงะนะคําขอบวชนะหลังจากนั้นก็ผ่านไป ได้พามาแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่ขอหรอกะ <g iggle> ตอนขอก็ขออย่างนั้นไม่ใช่หรอคุณมุชูตอนคุณบวชอะข อ, ขอมาแล้วก็แล้วกันใต้นะแต <g iggle> แบบฟอร์มการสมัครมันเป็นอย่างนั้นหลั <g iggle> งจากนั้นก็ไม่เอาแล้วเนะนี่ยนะเพราะนพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ปรารถนาพบอะไนกะ็เฮ้ยเนี่ยนะทำยังไงนะปฏิสนธิมันจึงจะไม่เกิดอีกโดยประการทั้งปวงอะไนะ ทำยังไงพวกนี้จะไม่เป็นกรรมมณิมิตคตินิมิต อ, อะไรนะจะไม่เป็นกรรมกรรมมณิมิตคตินิมิตเลยอ่ะก็โดยมากก็ไม่ค่อยเป็นแบบนั้นหรอกเนี่ยนะก็หวังนะทอดสะพานไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ ย, อยไม่ขอจบง่ายๆหรอกคาว่านาตริงสุชาติฉรันติพูมิคความว่าเราย่อมกล่าวคือย่อมบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกทําให้ตือนประกาศว่า ผู้บูชายันเหล่านั้นประกอบด้วยการบูชายันกำหนัดแล้วด้วยภวะราคะไม่ข้ามคือไม่ข้ามขึ้นไม่ข้ามพ้นไม่ก้าวล่วงไม่เป็นไปล่วงซึ่งชาติชรามรณะว่าตรงๆแล้วนะตัณหามันขนาด น, านั้นมันจะไปพ้นการเกิดแก่ตายอะไรเนี่ยนะขอก็ขอไปเนี่ยนะเพราะเขาขอแต่เรื่องการเกิดใหม่ขอเกิดแต่ที่ดีๆแล้วมันจะพ้นจากการเกิดได้ยังไงทาบุญเมื่อไหร่ก็ขอแต่เกิดอะ นจะพ้นการเกิดได้ยังไงเมื่อเกิดมันก็แก่เมื่อแก่มันก็ตายอยู่แล้วนะเกิดที่ไหนไม่แก่ไม่ตายไม่มีรรกหมอกมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นผู้ไม่ออกไม่สลัดออกไม่ล่วงไม่พ้นไม่เป็นไปล่วงจากชาติชราและมรณะเพราะฉะนั้นย่อมวนเวียนอยู่ภายในชาติชรามรณะย่อมวนเวียนอยู่ภายในทางแห่งวัฏฏะเป็นผู้ไปตามชาติอันชราเล่นตามพญาที่กครอบงามรณะก็ห้าหัน ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็เขาอยู่แต่ขันห้าขันห้าเอาตัวไหนมาพึ่งมั่งเอาพึ่งตรงไหนพึ่งฟันใช่ไหมเดี๋ยวมันโยกขึ้นมาเลยจะรู้สึกกันนะพึ่งกําลังแขนเดี๋ยวแขนมันยกกันเคล็ดขึ้นมาเลยจะเดือดร้อนพึ่งขาเดี๋ยวเออก็ลองขึ้นเขาดูวยเดี๋ยวก็เข่าทั้งหายมันก็เริ่มแล้วนะพึ่งอันไหนไม่ได้สักอย่างเพราะฉะนั้นจึงไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีที่พึ่งนั่นะอ สรุปคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตอบไปว่าดูก่อนปุณกะชนทั้งหลายย่อมหวั ง, งนะก็หวังชอบปรารถนาไปเรื่อยนะย่ยอมชมคือชมทั้งชมทั้งการบูชาของตัวเองวัตถุที่ตัวเองบูชาชมถึงผู้ที่ตัวเองบูชาเนี่ยนะเพราะนั้นอาศัยลาบแล้วคืออาศัยรูปเป็นต้นก็ย่อมชอบกามทั้งหลายจริงๆก็เพื่อจะได้มีลาบเนี่ยนะมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธาตุภาพจะได้บริโภคกาม เรากล่าวว่าชนเหล่านั้นประกอบการบูชายันกำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดในภพไม่ข้ามชาติชราไปได้ไม่พ้นการเกิดการแกสักคนนี่นะโดยมากเป็นอย่างนี้นะไม่พ้นจากความเกิดเมื่อไม่พ้นเกิดจะพ้นแกได้อย่างไรเนี่ยนะพอเกิดที่ใดความแกก็ตามมามรณะก็ยางลงอย่างนี้แหละท่านพระปุณกาก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข ถ้าชนเหล่านั้นประกอบด้วยการบูชายันทั้งหลายไม่ข้ามพ้นชาติและชาราไปได้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุกเมื่อเป็นดังนี้บัดนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกได้ข้ามพ้นชาติและชาราข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์จงตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิด โอ้ยนะเขาทํากันอย่างนั้นเอาจริงเอาจังกันมากมายขนาดนั้นก็ไม่พ้นความเกิดและความแก่ไปได้แล้วใครนาะจะพ้นจากความแก่และความตายไปได้ใครนาะจะพ้นการเกิดและความแก่ไปได้อันนี้คําถามเขา้ามานะทุกคนเขาทาอย่างนั้นก็ไม่พ้นแก่พ้นตายแล้วใครนะทำแล้วจะพ้นความเกิดความแก่ความตายมนะั้งกันอธิบายคําถามเพิ่มว่าผู้บูชายันเหล่านั้น ประกอบในการบูชากำหนัดแล้วด้วยความกำหนัดในพบไม่ข้ามไม่ข้ามขึ้นไม่ข้ามพน้นไม่ก้าวล่วงไม่เป็นไปเรื่องซึ่งชาติชราและมรณะ เป็นผู้ไม่ออกไม่สลัดออกไม่เล่องไม่พ้นไม่เป็นไปล่วงจากชาติชราและมรณะย่อมวนเวียนอยู่ภายในชาติชราและมรณะย่อมวนเวียนอยู่ในภายในทางแห่งสังสาระเป็นผู้ไปตามชาติอันชราติดตามพญาที่ครอบงำมรณะห้าหันไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่ซ่อนเร้นไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเนีย่ยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคำถามว่าเมื่อเป็นดังนั้นบัตรนี้ใครเล่าในโลกนะเทวโลกมนุษโลกได้ข้ามพ้นชาติชราไปได้ซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัสตอบว่าเราย่อมกล่าวว่าความวันไวในโลกไหนไหนไม่ได้มีแก่พระหันตะขีนาศบใดเพราะทราบด้วยยานคือทราบฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกพระหันตะขีนาศพเหล่านั้นเป็นผู้สงบกําจัดทุจริตเพียงดังว่าขวัญ ไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังได้ข้ามแล้วซึ่งชาติและชราก็ต่อบว่าพระอรหันต์นั่นแหละแต่ที่ท่านพ้นจากความเกิดและความแก่เนี่ยนะเนื่องจากท่านไม่มีตันหาหวันไว้ในโลกท่านรู้ด้วยญาณรู้ฝั่งนี้รู้ฝัง่งนู้นเป็นผู้สงบกําจัดทุจริตที่เหมือนควันท่านไม่มีความทุกข์ท่านไม่มีความหวังไอ้ท่านที่มีคุณธรรมอย่างนี้แหละท่านจึงพ้นจากความเกิดและความแก่ ญาณปัญญาความรู้ทั่วความไม่หลงความเลือกเฟ้นทำสัมมาทิฏฐิเรียกว่าสังขาที่บอกว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านท่านมีปัญญาเนี่ยนะเพราะว่าท่านทราบอะทราบก็คือสังขามาจากคําว่าทราบเนี่ยนะคำว่าปรโรปรานิก็คือฝั่งนี้ฝั่งโน้นเ่ยนะบอกว่ามนุสโลกปรัสว่าฝั่งนี้เทวโลกเรียกว่าฝั่งโน้นกามธาตุเรียกว่าฝั่งนี้รูปธาตุและรูปธาตุเรียกว่าฝั่งโน้น การมาธาตุรูปธาตุตรัสว่าฝั่งนี้อรูปธาตุเรียกว่าฝั่งโน้นคําว่าทราบแล้วเนี่ยนะทราบฝั่งนี้ฝั่งโน้นเนี่ยนะคือทราบวัตตะเนี่ยเพราะทราบคือพราะรู้เทียบเคียงพิจารณาให้แจ่มแจ้งให้ปรากฏซึ่งฝั่งนี้และฝั่งโน้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยนะของไม่เที่ยงคือฝั่งนี้ทวนข้งนะมนุษย์เทวมนุษย์เรียกว่าเทเรียกว่าฝั่งนี้เทวดาเรียกว่าฝั่งโน้น การมาท่าเรียกว่าฝั่งนี้รูปอารูปเรียกว่าฝั่งนู้นการมาท่รูปประท่าเรียกว่าฝั่งนี้อารูปประทเรียกว่าฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นคือพบทั้งสามฝั่งนะว่าย่อๆก็คือพบสามนี่แหละท่านเนี่ยพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลําบากเป็นอาพาธเป็นอย่างอื่นเป็นสภาพชํารุดเป็นเสนียดเป็นอุบาทเป็นสภาพไม่สําราญ เป็นภัยเป็นอุปสรรควันไว้ผูพังไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรเป็นที่เร่นไม่มีอะไรเป็นสาระไม่เป็นที่พึ่งว่างเปล่าศูนย์เป็นอนัตตามีโทษมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เป็นกันซานเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นผู้ฆ่าเป็นสภาพปราศจากความเจริญมีอาสวะอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นเยื่อมานมีความเกิดความแก่ความตายเป็นปกติ อันนะเป็นเหตุแห่งโซโกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตอนนะแล้วก็เป็นเหตุแห่งความเศร้ามองท่านรู้เหตุเกิดความดับเนี่ยนะรู้อาสะธาอาทีนวะนิสารณะของภพสามเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าทราบฝั่งนี้ฝั่งนู่นก็ผู้ที่ทราบอย่างนี้หมายถึงพาหันตะขีนาศเนี่ยนะพาฐานตะขีนาศเนี่ยไม่มีความหวั่นไหว ไอคำว่าความหวั่นไหวก็หวั่นไหวเพราะตัณหาหวั่นไหวเพราะทิฏฐิหวั่นไหวเพราะกิเลสหวั่นไหวเพราะมานะหวั่นไหวเพราะกรรมความหวั่นไหวเพราะตัณหาทิฏฐิกิเลสมานะกรรมไม่มีคือไม่ปรากฏไม่ประจักษ์แก่พระอรหันตะขีนาศบใดคือความหวั่นไหวเหล่านี้พระอรหันตขีนาสบใดละได้แล้วตัดขาดแล้วสงบแล้วระงับแล้วทําให้ไม่อาจเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยานอนะ เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หวนไหวในโลกนี่ยนะ